ลูกของคุณแม่สองลูกลูบละห้าแสนรวมทั้งค่าหินด้วยค่าหินค่าแกะรวบหลวงปู่มั่นรูกหลวงตารูกหลวงปู่ล่าแล้วก็สง่งแล้วก็ลูกของคุณแม่ชีแก้วก็ส่งไปที่เจดีของคุณแม่ที่มุกราหารบ้านห้วยทรายที่เจดีเอาไว้ข้างบนเอารูปไฟเบอร์ที่อยู่ข้างบน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 เป็นคนแบกน้ําหนักพอแล้วก็แต่ในวัดของเราส่งมาทีหลังก็อยุดนี่แหละอยู่ที่ศาลาที่ฉันน้ําของพวกเราเนี่ยที่หลวงพ่อทําเป็นห้องไว้ห้องหนึ่งสําหรับห้องใส่รูปของครูบาอาจารย์มีรูปหลวงปู่มั่นหลวงตาหลวงปู่ล่าคุณแม่ชีแก้วสี่รูปอยู่ด้วยกัน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 แล้วก็สอดอปเข้าไปจากนั้นก็จะมีหินเขาแกะเตรียมไว้แล้วปิดใส่กาวอีพ็อกซี่ใส่กาวอย่างดีนะปิดไว้เลยในองค์แต่ละองค์แต่หลวงปู่มั่นเราได้เกสาของท่านจากคุณหลวงกรุงเทพหลวงพ่อลงไปหลวงพอ่อก็คิดเหมือนกันจะอจะได้อ่ อธิธาตหรือพระธาตุของหลวงปู่มั่นที่ไหนน้อนะหลวงพ่อก็คิดในใจเพราะว่าได้ลูกหลวงปู่มั่นมาแล้วอวันดีคืนดีคุณหลวงก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์ผมมีเกศาหลวงปู่มั่นเขาให้ผมนานแล้วแหละผมก็จะไหวท่านอาจารย์โอดด้ดีดีดีกําลังต้องการอยู่พอดีพอดี ก, ก็เลยใจะใส่อธิธาต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 องพระเนี่ยละวันที่สิเกพอเราชันจังหันเสร็จแล้วพระสงสัรจังหันเสร็จแล้วศรัทธาญาติโยมพร้อมกันทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะขึ้นทาพิธีนะที่ชั้นน้ําที่ห้องพระทาพิธีก็คืออะไรคือไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะทำขอคาระวะก่อน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 สวดทั้งพระสงฆ์สวดทั้งคณะสัท ย, ยาญาิโ ย, ยมทุกหมู่เหล่านะ่ะสวดพร้อมกันอิติปิโสพระว า, าระหังสัมมาสัมพุโทโธวิ ช, ชาจรณนะสัมปันโนอ่จากนั้นหลวงพ่อก็เป็นผู้บรรจุอ่าตลับเข้าที่ตรงที่ทำรูไว้จากนั้นก็ปิดด้วยกาวเพื่อต่อไปก็เป็นที่กราบไหว้สัการบูชาของ พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายเพื่อเป็นชริเพื่อเป็นมงคลเพราะนั้นท่าผู้ใดว่างนะวันที่19เป็นวันเดือนสิบเพนเสร็จสันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะเริ่มพิธีทําบุญจุดนั้นด้วยบรรจุพระธาตุในสี่พระองค์ที่นั่งเรียงกันอยู่นี่แหละขอประกาศ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 เต่าเธอมาอยู่ที่นี่นานแล้วเนี่ยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไหมอหมหงสองตัวถามเต่าเต่าเขาบอกโอ้ก็อยากจะเปลี่ยนเนี่ยถ้ามีที่ดีกว่านี่โอในป่าหิมพานอยู่ข้างในเนอะ น, นะเป็นสระร่มรื่นเป็นสระน้ำใสสะอาดวัชพืชทั้งหลายแหละอาหารอุดมสมบูรณ์อาหารเต่านะ่ะอผักบุ่งผักอะไรเต็มไปหมด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 ถาว่าเธอไปพูดผิดการผิดสถานที่เท่านั้นแหละข้าไม่รับรองนะเต่าได้เพียงแต่ไม่ให้พูดผิดการสถานที่เท่านั้นแหะ เ, เพียงแค่นั้นะก็ได้เ อ, อถ้าพวกท่านจะปลาณีกรุณาที่จะให้ข้าพระเจ้าเปลี่ยนบรรยากาศ อ, อไปเปลี่ยนสะใหม่ อ, อแม่นหนองน้ําใหญ่เรอเอา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 คนและส้นกันสะซนไม้แล้วจะบินขึ้นอากาศแต่เจ้าห้ามพูดห้ามอะไรเด็ดขาดนะถ้าพูดแล้วข้าไม่รับรองในชีวิตของเจ้านะเต่าก็เออได้เอาถ้าได้ก็ปะ่ะพอตกตอนเย็นก็กินอาหารอุดมสมบูรณ์ด้วยกันหมดแล้วก็เต่าก็เอาคาบเต่าก็คาบตรงกลางฮะ หงสองตัวกับคาบโคโนซอนกันกบินขึ้นอากาศบินบิ น, บ, นบินไปเท่านี้กมันก็ผ่านป่ารงพงไพ่พอในสุดผ่านกรุงพาราณสีผ่านกรุงผ่านกรุงพาราณสีไปเด็กทักหลายเนี่ยเขากำลังเล่นสนุกสนานอยู่ในเมืองเหมือนกับแถวบ้านเราเล่นกีลงเล่นกีฬานี่แนะ้ละเท่านี้เขาก็เห็นมองขึ้นไปไปเห็นบนอากาศ ก็เห็นของแปลกใช่ไหมเออนกหงสองตัวเนี่ยเนี่ยหามเต่าใช่ไหมเพราะว่าเต่ามันแขวนคดขาเข้าไปแล้วก็คาบไม้ไผ่อยู่ในอากาศคนทหลายเขาก็บอกว่าเห็นไ้มเห็นไหมเห็นไม้เนไม เ, เต่าหามหงเต่าหามหงว่เะเต่าหับหงอ่ะคล้ายๆว่ามันเต่าอยู่ตรงกลางใช่ไหมล่ะเหมือนกบนับหับ เต่าก็เลยนึกโมโหขึ้นมาทีนี้มันคนนะมันพูดไม่ถูกเนะี่ยมันน่าจะบอกว่าหงหามเต่าอะมันจึงจะถูกนะอ่ไปที่ไหนเขาก็ว่าอ่เต่าหาผงเต่าหาผงว่างั้นเพราะมันเต่า อ, อยู่ตรงกลางฮนะอ่าทีนี้ก็เลยเต่าก็เลยอ้าปากขึ้นมาโวพูดไม่ถูกอ่พูดต้องวัดเต่าหาผงเออหงหามเต่าที่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 เออมันตกมันหงายหลังตกลงมาจากท้องฟ้าเออหงก็พยายามโดดอกไปเพื่อจะไปลองรับเต่านะเพื่อไม่ให้มันตกแรงเกินเกินไปมันก็รับไม่ทั น, นสิใช่ไหมพอพอไี้สุดหงก็เลยโอ้ช่วยไม่ไดเ้เราก็บอกแล้วอย่าพูดเจาพูดสงสองตัวแล้วก็บินดุดด้วยความเสียใจเพราะด้วยเจตนาดี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 ได้ยิน่ะเออทางรัฐบาลเขาเนี่ยป้องดองป้องดองจะไปปองดองได้ยังไงไม่ต้อื้ออันไหนขาวอันไหนเอามาถล่มกันอยู่เรื่อยอปากเป็นพิษปากเป็นภัยปากไปอยู่ในความสงบถ้าทุกคนส้ำรวมปากซะมันก็เดินไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถ้าทุกคนไม่ระวังปากอย่างนี้แหละเหมือนกระเต่านั่ น, น, น เ, เสียหายทั้งประเทศชาติบ้านเมือง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 กเ็เดิดเดือดร้อนทั้งตระกูลเดือดเป็นเป็นยังไงตามปกติพญานาคเนี่ยพญาคดเวลาจะไปจับนาคพอแหวกน้ํามหาสมุทรพออปีกกระพื อ, อ, ก, อกระพือแหวกน้ําอพอแหวกน้ําจนน้ําแห้งที่ว่าน้ําขึ้นน้ําขึ้นสี่น้ํามีคงจะลักษณะอย่างนั้น <c oughs> นหละนิทานโบราณนะพอกระพือปีกจะได้พญานาค ชูคอขึ้นมาก็สู้เอสู้ที่จะกัดคดกหมืนนเถอะเออเหมือนกับงูน่ะที่เราจะไปแ้ําก็ชูคอขึ้นมามันจะสู้เออแต่ในพยาคตก็โดดเพื่จับคอจับคอนาคาน่กแต่ที่จะสู้กับพญานาคที่นากจะสู้กับพยาคเนะมันกลืนก้อนหินเข้าไปในท้องเลยกลืนก้อนหินทห้หนักหนักที่สุดเหมนั้นอะ เออเกินเข้าไปในท้องพอพยาคุดจับคอขึปลากขึ้นไปมันขึ้นไปไม่พ้นเพราะว่าน่นากันเกินก้อนหินไอพยาคุดนี่น้ำท่วมตายไม่รู้เท่าไหรต่เท่าไหรอ่าทีนี้พยาคุดก็อ่อนอกอ่อนใจเอ๊ะทำไมตะกอนจับลากคอขึ้นไปแล้วหนากตัวไหนเนี่ยเอาไปกินได้ทุกตัวแต่คราวนี้ทาไมถึงเป็นอย่างนี้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 พวกเรากินก้อนหินเข้าไปให้มันหนักทั้งเอาหางรัดก้อนหินอีกต่างหากให้มันหนักเพราะนั้นนาจึง ด, ดึงขึ้นไม่ได้แต่ถ้านากฉลาดนะถ้าพยาคุดฉลาดนะถ้าคุดฉลาดไม่ต้องจับคอนะจับหางนะพอจับหางขึ้นมาเท่านั้นแหละก้อนหินจะไหลออกจากปากนะออกจากปากนากมีเท่าไหร่บดเหมือนั้น เออพอวัฎยาพูดนะอย่าพูดให้ใครฟังนะท่านฤาษีนะอันนี้เป็นความลับของตระกูลน ะ, พ, านาน พ, ระพระยานาคบอกฤาษีก็เออแต่ในพัดพรยาคุดมาทีนี้พาคุดมาไปไปไงท่านฤาษีไดถยย้ถามแล้วยนะังถามแล้วอพอถามไปไงเลยโอ้ยเขาว่าไปจับคอมันลากไปขึ้นแล้วพราะเขาเกินหินเกินหินเขาไปในท้อง ถ้าจะจับต้องจับหางสิลากขึ้นมาเลยนั่นแหละเซะ็ตโอพยากุตก็บอกว่าโอุนากในงโง่มากเปิดเผยความลับของตนให้กับคนอื่นเขาเอาเถอะเดี๋ยวนากจะเห็นฤทธิ์ในวันนี้แหละพอพยากุตออกจากฤาษีเท่านั้นแหละก็ไปตรงที่เมืองพญานาคกลางมหาสมุทรเลยกับือปีกอย่างว่าเลยพั พัดพัดน้ําทะเลมืนก็แวกแหวกแวกเหมือนกับเราใช้ของแรงแรงใช้นั้นพัดลมพัดน้ำนํำน้ําก็เป็นช่องลงไปฝนจะลงไปพญานาคก็คิดสู้อีกอย่างเก่านะเนี่อคิดสู้อย่างเก่าเอาหัวขึ้นมา ท, ที่จะสู้กับพญาคกดพญากดทั้งที่จะจับคอเถอะนะจับหางนาคเถอนะนพอจับหางนากลากขึ้นมาเท่านั้นแหละก้อนหินไหลออกจากปากนาคทั้งหมดเลย เออเพราะมันตั้งปากมันมีรูเด้มีรู ก, กว้างกว่าเด้เอ่อจากนั้นพญานาากับลำลำพึงรปพันโอ้ภัยวิบัติที่เกิดกับข้าพเจ้าในครั้งนี้เพราะข้าพเจ้าเปิดเผยความลับของตระกูลให้แก่ลือศีกุลือศีคิดว่าจะปิดเป็นความลับลือศีนี่เอ่อกับเปิดเผยเนี่ยเราที่ให้เป็นความลับกับศัตรูของข้าพเจ้าเนาะข้าพเจ้าคง เจะเป็นอาหารของพยาคุดและคราวนี่ไหมฮะพยาคุดจะยินพูดนาคพูดบอกเอ้ยนาคเธอมันโง้อทาไมจะไปหาพูดให้ความรับตัวเองให้จะไปพูดให้คนอื่นฟังต่อไปนะเนี่ยถ้าท่านเป็นอย่างนี้นตายนะโอ้ยขอชีวิตอินชีไว้ด้วยเถอะพยาพยาคุดไหอ่าท่านนี้พยาคุดก็เออเอาเป็นปะ ไปด้วยกันก็นเลยออกมาก็เลยแปลงตัวเป็นมนุษย์แต่นี้ก่อนเดี๋ยวผมไปทําไปถามฤๅษีออกก่อนฤๅษีเนี่ยอ่อบอกความลับจริงไหมเอ่อปัญญากรุตบอกว่าฤๅษีบอกความลับให้ข้าทแนี้ยญาน้าก็บอกว่าไปทวงไปทวงสัจจะจากฤๅษีเนี่ยผมให้สัจจะกับท่านแล้วว่าท่านอย่าพูดเปิดเผยความลับนะ ท่านเปิดเผยไหม อ, อ้ทำพอเนี่ก็เดินเข้าไปพยาคุดปอกโอ้วันนี้นากนากคงจะฆ่าลือีแน่แนอหนักคงจะฆ่าลือีพยาคุดก็ไม่เข้าไปเลยอยู่ข้างนอกอพอได้ความลับจากลือศีนั่นหนักก็เลยเข้าไปคนเดียว เ, เข้าไปตัวเดียวเขาว่าท่านลือศี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 มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยความลับตัวนี้ทางพญานาค ก, ก็บอกว่าท่านฤาษีท่านไม่รักษาความลับที่ผมให้สัจจะกับท่านเอาไว้ด้วยสัจจะวาจาของข้าพเจ้าถ้าท่านฤาษีได้เปิดความลับท่านเปิดเผยความลับที่ท่านไม่รักษาสัจจะให้ศีรษะของท่านแตกเป็นเจ็ดภาคในขณะ น, นี้พอพูดพญานาคพูดเจ็ดพูดจบคาและนะ้วไะ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 ไม่สำรวมปากน่แหละปากไม่เป็นสำคัญนะปากเป็นเอกเล่เป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตาคนโบราณเขาให้สุภาษิตไว้ถ้าเราถ้าพูดดีเป็นสีแก่ปากถ้าพูดมากเอาตบปากปากแกเลือดออกออกเป็นสีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องระมัดระวังนะ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 ไ ม, ไม่ระมัดระวังในวาจาของตอนเองน่ทำให้ตนเองบงการเดือดร้อนได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะให้พระนากจิาญาติโยมลูกหลานฟังเอาไว้นะนิทานอย่างนี้หาฟังระยกนะลูกหลานนะมีแต่หลวงพ่ออิ น, นเนี่ยผูชาดกผูนิทานให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอาตอนนี้ไปลัพรในแต่เนินอนโมตนาให้พร